สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะโตอรหะโต พุทธาังสรังทามิทธัางมมังสรพามังัพทามิตสรังพุทางๆสารังทามิโตติยมปีพุทธังสาังคทามิ พุทธ ar ิยมปีพุทัสนางคัตามิโอติยธรมสรามิพุทธยมปีธมังสารังคัตามิโอติยตัสรคามิุทธยสรนังามิตยปพุทธสรคัตามิ ตัติยมีขภังสรนังคตามิตัติยมปีติธรรมังสารนังคตมิตัยมปตังสรนังคตาตัติยมปีตังขังสารนัคตามิสัติังสานังิตตตสนาิติมปตัขังรังมิัีสรคามัปีะัสมตตปัสาริัตยสานังมิาต ทานาตาเวรมนีสิกขาปังสมาธาอินาทานเวรมีสิกขาปัทังสมาียามิอินาทานเวรมีสิกขาังสมาธยามิตาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธียามิาเมสุาารเวรมี พรสมาธิยามุสาวาทานเวรมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิมุสาวาทาเวรีสิกขาปัทงสมาิยามิสุรามรยามัชะปมาตานาเวรมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิสุรามรยามัะปมาตธานา อมิมาณิปันจสิกขาปทานิสิเลนาสุขเตียงยันติสิเลนาโพกัสมปทานสิเลนาโพเตียงยันติสัตมาสีิลังวิโตตเจ ท่านพุทธศาสนิกชนผู้จเจริญทั้งหลาย <c oughs> โอกาสต่อไปนี้เป็นเวลาที่จะได้บรรยายธรรมและจะได้ฟังธรรมเสื่องธรรมะอันนี้เป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 ที่ว่าพระองค์สอนให้เรามีความรักกันขอกอเหตุว่าในเบิ่มตน้นท่านก็สอนให้เรารักศีลผ้าสมทานศีลผ้ารักษาศีลผ้าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีในพระพุทธศาสนาขนาดที่เราตั้งใจ และกล่าวคำปฏิญญาุนถึงพระองค์ท่านว่าพุทธังสระนังคัตสามิซึ่งหมายความว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสระะที่ฝึงขี่ระลึกถ้าสมมติว่าพระองค์จะถามเราว่าบวกท่านจะเอาจริงหรือถ้าเราตอบว่าเอาจริง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราได้ไหมปฏิบัติตามข้อบังคับของเราได้ไหมข้อบังคับของพระองค์ท่านคืออะไรข้อบังคับของเราก็คือศีลธรรที่ได้สมาทานมาแล้วนั้นถ้าใครบอกว่าปฏิบัติไม่ได้พระองค์ก็จะต้องตอบว่าช่วยไม่ได้เหมือนกันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเล่า ที่เป็นแค่นั้นก็เพราะว่าจุดเริ่มของการสร้างความดีในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะต้องขึ้นต้นด้วยศีลห้าอาเซบดิวาสัพป า, าปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่ก็หมายถึงการไม่ทำบาปตามกฎของศีลห้านั่นเอง ถ้าท่านจะถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาศีลห้าค่าตอบก็คือว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าต้องการให้มนุษย์มีความรักกันในเมื่อมีความรักกันก็กลายเป็นคนที้ทำประกันความปลอดภัยของสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้มษย์ฆ่ากันนั่นเองแต่ถ้าเราจะมาพิจารณาอย่างนี้เราจะมองเห็นผลประโยชน์ของการรักษาศีลท่าพอบานแม่เรือนถ้าไม่มีศีลาต่อกันครอบครัวก็แตกอย่างที่เราโลโลเหตุเห็นกัะตาเพราะไม่มีศีลทาสังคนจะวุ่นวายก็เพราะขาดศีลทา เราะฉะนั้นศีลห้าประการนี้จึงเป็นคุ ณ, ณธรรมประการความปลอดภัยของสังคมการรักษาศีลอย่าไปมุ่งเอาแต่สวรรค์เอานิพพานเพียงอย่างเดียวต้องมองถึงผลประโยชน์ในปัจจุบันนี้ด้วยเราจึงจะเข้าใจความหมายในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีและประการต่อไปศีลห้าเป็นการตัดทอนผลเพิอมของบาปกรรม การทำบาปทำกันี่พวกยายมพากันกลัวๆอยู่นั่นทจ่ว่าทำแล้วเป็นบาปทันทีมีแต่ละเมิดอีศห้าเท่านั้นหากใครรักษาเศนห้าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีก็ได้เจว่าตัดคอนผลเพิ่มของบาปบาปที่ทำมาแต่เมื่อวานนี่วันนี้ไม่ทำแล้ววันต่อๆไปบาปของเก่ามันก็ยังอยู่นั่นแหละ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 ในที่สุดจิตของเรามันจะไปอบกลอยู่กับความดีที่เราทําโอกาสที่มันจะเกิดถึงบาปเครื่องหลังนั่นมันก็ลืมลืมไปเพราะว่าจิตมันมาบันเทิงอยู่กับความดีในปัจจุบันก็มีแต่โม่งหน้าทําความดีต่อไปทีนี้ถ้าใครกลัวบาปกลัวกรรมพี่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ยึดมั่นในศีลห้าข้ ทีนี้ประการต่อไปในเมื่อเรารักษาเศนห้าข้อได้แล้วก็เป็นอุบายบัณทรกำลังของกิเลสกิเลสที่มีอยู่ในใจนั่นโลกกดหลงเรามีกันทุกคนแต่ว่าการที่จะไปละนี่รู้สึกว่ามันจะลำบากเหมือนกันเพราะการละกิเลสมันเป็นของอยากมันจึงเป็นภาระจำยอม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 ไปเหยียดที่โคลนเข้าแล้วไปล้างน้ำให้มันสะอาดอย่างนั้นมันไม่ได้เราต้องพยายามฝึกฝนอบรมคามดีให้มันมากๆขึ้นกิเลสมันจัจะพ่ายแพ้ไปเองในทางปฏิบัติก็คือว่าถ้าใครมีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่ในใจก็พยายามดูใจตัวเองให้มันรู้ว่าเรามี แต่เมื่อเรารู้ว่าเรา ม, าเรามีเรารอยอมรับสภาพความจริงว่าเรามีกิเลสโลกโกดลงทีนี้ไในเมื่อรู้ว่าเรามีแล้วพยายามเคิดหาทางที่จะเอาประโยชน์จากมันให้ได้จะไปเอากิเลสจะเอาผล e ประโยชน์จากกิเลสโลกโกดลงได้อยา่างไรมันก็ไม่ยาก เอาไว้ให้มันคอยกระตุ้นเตือนใจให้เกิดความท่าเยอทยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยาโจอมานั่งฟังเทศกันอยู่เล่ก่อเร้าความอยากคือความโลภนั่นเองมันกระตุ้นเตือนให้มาก็อยากได้คุณธรรมอยากฟังเทศอยากได้ข้อวัดปฏิบัติอยากได้ความรู้ในธรรมะคาสอน เพราะความโลกมันกระตุ้นให้เรามาในเมื่อความโลภมันกระตุ้นให้มาฟังธรรมมาลัทธิ์ศีลฟังธรรมเนี่ยจะมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นมันก็มีแต่ความดีดังนั้นในเมื่อกิเลสมีอยู่ในใจของเราเนี่ยเราก็พยายามใช้ให้มาเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมโดยไม่ได้ทาความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่น อาศัยศีนข้าก็เป็นขอบเขตแล้วเราพยายามสแสวงหาผลประโยชน์สแสวงหาคุณธรรมอยู่ในขอบเขตการกระทำใดๆที่ไม่ผิดเศนห้าข้อใดข้อหนึ่งทำลงไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ดัหนิและทอดที่จะเพึงเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นก็ไม่มีอย่างดีใครมีความโลภ มันสแสวงหาทรัพย์สมบัติร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีจะลำบากอยู่หน่อยก็แต่การบริหารรักษาเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นศีลห้าประการนี้จึงเป็นขอบเกตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ดโดยความเป็นธรรมสิ่งที่มนุษย์ต้องการในประนาในสังคมของโลกนี้มันมีอยู่เพียงห้าอย่างเท่านั้น หนึ่งความมีลาภสองความมียศสามชั้นเิญสี่ความสุ ข, ข้าอำนาจถามใครปฏิเสธไม่ได้ทักบคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการโดยกฎธรรมชาติ <c oughs> แล้วแต่ละ บ, บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาสิ่งเหล่านี้ ในทางศาสนาท่านกระตุ้นเตือนว่าใครจะสแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตมันก็คือศีลห้าอีกนั่นแหละในเมื่อสแสวงหามาได้พระพุทธเจ้ายังสอนสอนให้สร้างความดีจัดเพื่อนบ้านเพื่ออย่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเครื่องมือสร้างความไม่ดีให้ชาวบ้านเขาเกลียดที่นา เอาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็นลาดลยศสรรเสริญศุกรและอำนาจเสื่ไปสร้างความดีให้ชาวบ้านเขารับในเมื่อเราสร้างแต่ความดีสร้างแต่ความดีไปอยู่ไหนอยู่ไหนก็สบายใจจะไปป่าก็สบายใจอยู่ในกรุงก็สบายใจมานั่งฟังเทศก็ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องมีคน้มือเปินมาคอยคุ้มกันและไม่มีเจ้าหน้าที่ตารวจมารักษา เพาอะไรเพราะเรามีศียรห้าบริสุทธิ์บริรณ์ดีนี่แสวงหาผลประโยชน์ก็ไม่กันเพระเทือนใครได้มาแล้วก็สร้างแต่ความดีไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเครื่องมือสร้างความไม่ดีให้เขาเกลียดเพราะฉะนั้นศียรห้าประการนี้จึงเป็นขอบเขตของการให้กิเยดให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมประการสุดท้ายท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม อาจจะมาว่าศีลห้าข้อนี่แหละเป็นธรรมะที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยทำไหมท่านคงทาบดีแล้วว่าหัวใจประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษย์ชนโูดายมีศีลห้าเคารพทุกสิทธิแม้แต่มดแมงแล้วปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติของเขาเราไม่ขะไม่เปลี่ยนเปียนไม่คงแขงไม่รังแก มันก็เป็นการเคารพสิทธิหนักใจไหมถ้าเผื่อว่าเราจะมีศีลหา้าแม่บ้านบางท่านก็อาจจะหนักใจว่าเราจะต้องค่าสัตว์ประกอบอาหารเลี้ยงชีวิตแต่หลวงพ่อท่านก็มาสอนให้รักษาศีลหา้าสามีลูกเราจะได้ทานอะไรเนอไม่มีโอกาสที่จะค่าเป็นค่าไก่ประกอบอาหารของอรอร่อยก็ไม่ได้ทานแล้ว อย่าไปหนักใจถ้าหากอยากจะมีศียน่า ก, กัเขาบ้างก็ให้ตั้งปณิทานเอาไว้ในใจให้แน่วแนว่ว่าเคือนเชื่อว่ามนุษย์ท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ค่มเองไม่รังแกโดยที่สดไม่อิจฉาตาร้อนใครมีความจำเป็นจะฆ่าสัตว์ประกอบอาหารเพืนตามสบายแต่ว่ามนุษย์จะไปแต่ต้อง ให้รักษาให้มันแคล้งแกล้งในระดับมนุษย์ทีนี้ในเมื่อเราแคล้งในระดับมนุษย์ความเมตตาปราณีมันจะเพิ่มขึ้นตามมาเองเมื่อความเมตตาปราณีมันเพิ่มมากขึ้นโดยที่โสดแม้แต่สัตว์ในไร่ฉันก็จะฆ่าไม่ได้ท่านสงสัยไหมบาป ท, ที่เกิดจากศีลห้านั้นเกิดจากการละเมิดศีลห้านั้นใครเป็นผู้แต่ง เป็นผู้สร้างตัวบาปขึ้นมาไม่มีมันไปนกดธรรมชาติเราพระเจ้าของเราอย่างดีก็เพียงแค่รู้รู้ว่าการฆ่าสัตว์มันเป็นบาปขโมยทรัพย์เขามันเป็นบาปผมเหงน้ำใจกาเมลสมิฉาจานมันเป็นบาปโกหกกลอกรวงเขาให้เขาเสียทรัพย์สมบัติเกียรติยศเสื่อเสียงมันเป็นบาป เดิมด้านดองของเมามันเป็นบาปก็มันไปเพิ่มคามเสียสติให้มากขึ้นถึงโดยปกติคนเรามีการเสียสติเป็นเดิมพันอยู่แล้วคนละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นอย่างต่ำแต่เมื่อเราไปเพิ่มสิ่งที่จะทําให้ประสาทฟันเฟินเืน่อสติมันก็ยิ่งเลอะเลือนไปใหญ่จากต้นจนปลายไม่ถูกบาปทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นกฎธรรมชาติ ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไปเผลอไปว่าตำหนิพระพุทธเจ้าเราพุทธเจ้านี่สอนอะไรก็มีแต่บาปมีแต่บาปอย่าไปตำหนิมันบาปเราพุทธเจ้ารู้แล้วว่าทำสิ่งนี้มันเป็นบาปท่านเมตตาสงสารพวกเราท่านก็มาแนะนำขั้มสอนให้เรางดเว้นทีนี้บาปตามกดแห่งเีือนห้าเนี่ย ใครจะนับถือศาสนาพุทธก็ตามไม่นับถือศาสนาพุทธก็ตามหรือใครไม่มีศาสนาก็ตามหรือโดยที่สอดแม่สัตว์ในไรถานทำต่อกันก็ไม่มีการยกเว้นพระมันเป็นบาคตามธรรมชาติจริงพระพุาปเท้ยวย่างดีก็เพียงแค่รู้ เพราะฉะนั้นเศษห้านี้ท่านจึงยกให้เป็นมนุษยธรรมที่ว่าเป็นมนุษยธรรมก็ว่า เ, เราะว่าเป็นคนนธรทำปรับเพื่นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์หากใครมีเศษหา้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ท่านแน่ใจไหมว่าท่านจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกขณะจิตทุกลมหายใจ ไม่แน่นักอยากรู้ไหมถ้าอยากจะรู้ก็ต้องจะว่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นที่ต้องขอโทษทัศนทั้งหลายก่อนเนละเพราะว่าสำนวนบางแห่งมันอาจจะกระทบกประเตือนความรู้สึกถ้าจะฟังก็ฟังกันอย่างนี้ในขณะใจเหตใจของเรามันเกิดความโผฏเสี้ยว อยากจะทำอะไรโดยละเมิดศีลห้าข้อนั่นแหละอยากฆ่าใครฆ่าอยากด่าใสดา่าอยากรักกกระมยของผมเห็นรังแกใครทำทำไปตามความตามอามเภอใจตัวเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นและไม่ได้เนึกถึงศีลธรรมและกฎหมายปกครองบ้านเมืองอาทษ ในขณะนั้นตายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นสัตว์เลรัฉนอย่าโกรธนะที่พูกความจริงจนเกินไปแต่ในขณะใดาจิตใจของเราเนี่ยมันมีความละอายบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่กล้าทำบาปทั้งในที่รักใ น, ในที่แย่คือไม่ละเมิดศีลห้าข้อ น, นั่นเองในขณะนั้นตายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นเทวดา ไม่ต้องเป็นคอยเป็นเทวดาเมื่อตายไปแล้วเราปรับใจให้มันเป็นเทวดาซะตั้งแต่ที่ยังเป็นมนุษย์นี้เราจะได้ความแน่ใจว่าตายไปมันจะได้เป็นเทวดาจริงๆหากไปหวังแต่จะเป็นเทวดาในชาตหน้าโบหน้ามันเสี่ยงเพราะนั้นต้องพยายามทำใจให้เป็นเทวดาให้มีเละมีโอตับปล มีความอายบาปจะดุกกลัวต่อบาปไม่ละเมิดเสียงห้าข้อหรือไม่ละเมิดกฎหมายปกครองบ้านเมืองายเป็นมนุษย์ใจเราก็เป็นเทวดาเท่านั้นเองทีนี้ในขณะได้เจตใจของเร า, นามเมารานี่มีความเมตตาปราณีมีความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจเพื่อนสังเพื่อนมนุษย์เห็นอกเขาอกเรา ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นเทพอ่าเป็นก็เป็นมนุษย์แต่ในขณะใดที่ใจของเรานี่มันเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไม่เอาไหนประโยชน์ตนก็ไม่เอาประโยชน์ท่านก็ไม่แลเรียวปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ในขณะนั้นใจกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นเปว์ แปล ว, ว่าละทิ้งสิ่งทั้งปวงละประโยชน์ทั้งปวง น, นี่เป็นหลักที่เราจะต้องยึดเป็นหลักพิจารณาตัวเองอยู่เสมอเมื่อเรามีสติพิจารณาดูความเป็นของเราอย่างนี้เราก็รู้ความจริงของเราเองมา่รู้ความจริงของเราเองอะไรมันขาดตกบกพ้่องเราจะได้กแก้ไข ท, ที่ตัวเองกายกับใจนั่นแหละเป็นหลักของการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติงดแว้นความบาปตามกฎของศีทธาก็ได้เชื่อว่าละบาปในในพุทธภาสิทธิวัฒพภาปัสสาระระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงทีนี้ถ้าหากว่าเรามาละบาปทั้งปวงได้โดยเด็ดขาดดังที่กล่าวแล้วโกสลโู ป, ปัมปัา ก็ได้จอว่ายังกุศลให้ถึงพครออหดีหดูแลมันก็ง่ายๆกันอย่างนี้เ <c oughs> ทกลามาทั้งหมดนี้เป็นห ล, บลับวิธีการรักษาศิ่งและหลักวิธีการให้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมต่อไปนี้เรามาคุยกันเรื่องสมาธิกันดูปะัะ แต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้ประชาชนพุทตบริษตันสนใจในการทำสมาธิและวิธีการทำสมาธิก็มีหลายแบบหลายอย่างนั่นอย่าไปสนใจแต่ละแบบแต่ละอย่างนั่นผูกเก้ามดไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าเราไปยึดวิธีการมากเกินไปมันอาจจะผิดพลาดบ้างก็ได้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 ตอนที่ท่านชายสิทธัตถะเสด็จออกพนวดในตอนแรกได้ไปบําเพ็ญเพียรและศึกษาสมาธิในสำนักอาราระดาบทและอุตตรดาบทเรียนไจนจบหลักสูตรแล้วก็ทําได้เก่งกว่าอาจารย์เสด้วยซ้ําจนกระทั่งอาจารย์ทักชวนให้เป็นอาจารย์่วยสอนอยู่ในสำนักแต่เจ้าของท่านก็ยังไม่พอใจไม่พอระยัย เพราะความปรารถนาไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ภูมิของอาจารย์ทั้งสองนั้นเท่านั้นความปรารถนาอยู่ที่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจะได้ลาออกจากสำนักของอาจารย์ทั้งสองเสด็จไปบำเพ็ญเพียนอยู่โดยลําพังพระองค์เองตอนนี้ไม่ได้ไปเรียนอยู่ในสำนักของไครทั้งสิ้ เพียงแต่ยกระติการปฏิบัติของพวกนักปฏิบัติในสมัยนั้นมาทดลองโดยวิธีการบำเพ็ญพุทั ก, รกิริยาทรมานตนด้วยประการต่างๆแต่ทำจนสดกำลังแล้วตลอดเวลาหกปีก็ไม่มีท่าทีว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอดข้าวก็ทำให้พระวรกายสุกพร้อมลงไปยังเหลือแต่หนังหุ่มกระดูก กลันลมหายใจก็มีแต่จะทำให้ใจมันขาดสิ้นชีวิตอินทรีย์แตกสลายไม่มีทางที่จะให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เ่อระองก็สอบโยตุวิธีการแล้วไม่เป็นไม่มีทางจิ่งมาหวนที่จะทรงเลิกละการบำเพ็ญทุภะกิริยานั้นเสียแต่ว่าก่อนอื่นต้องสแสวงหาปัจจัาหาร มาเสวยพอบำรุงพระพอรากายให้มีกำลังบางเอิญบนัณ น, นางสุชาดาเดินอนำนข้าวมัทุกตายาตไปถวายในขณะที่พระองค์ประทัดนั่งอยู่ใต้ต้นโพธพระนางสุชาดามองเห็นข้าว็ดีโอตีใจโดยคิดว่าทุกครั้งที่เรามาสังเวยเทวดานี่ <c oughs> เอาของไปวางไว้ก็ไม่เห็นเทวดามาเสวย เราไปมองไม่เห็นเทวดาด้วยวันนี้เราช่างโชคดีจริงๆพอ้อมข้าวมาทูบปายตยเข้ามาภายใต้บริมนตมของล้มโปเนี่ยเทวดามาประทับนั่งคอยอยู่แล้วโดวยความดีโอเีใจก็นำข้าวมาทูบปลายัดาระน้อมเข้าไปถวายโดยสำคัญว่าเป็นเทวดา สิเนพอท่าน้ายสิท่ารับข้าวมะโตกปลายาดของนางสุชาดาแล้วพมาทรงปั้นข้าวมะโตกปลายาดเป็นสี่สิบเก้ากอนแล้วก็สเสวยรวดเดียวหมดหม ด, หมดทั้งสี่สิบเก้าก้อนสิเพอเสร็จแล้วพระองค์ก็ปรารบที่จะไปอธิฐานเสียงบารมีเจ้ า, าศาสดาเอกในโลกอย่างแท้จริงขอให้พาทองคำจง ไหลทวนกระแสน้ําขึ้นไปเพื่อมบดและจึงค่จมลงไปในแม่น้ําหากว่าจะไม่สาเร็จก็ให้ไหลไปตามกระแสน้ําแล้วจมลงไปในแม่น้ำขออธิษฐานพระไตร แ, แนี่ยแน่ถาทองคำไหลทวนกระแสน้ําขึ้นไปเพื่อมบดและจึงค่จมลงไปในแม่น้ํา